ขอปรบสักหน่อยเมื่อก่อนนี้อาตมาเองก็เวลาเขาขอสินห้าสินห้าก็ไม่ให้เขาแต่ก็แจ้งให้เขาใจว่าการขอสินเป็นอย่างไรหมายถึงอย่างไรเพราะว่าอาตมาได้เคยเข้าไปกราบศึกษาในพระเดชพระคุณหลวงปู่พั่น อาจาโอที่สถานถ้าขามอํเอาเภอพรรณานิคมจังหวัดสกล น, นครและท่านก็นอยู่ที่วัดป่าอุดมสมพรอํเอราเภอพรรณานิคมจังหวัดสกล น, นครในปีพศ .2115 และก็หลายๆครั้งท่านไม่เคยให้ศินเวลาโยมขอศินท่านไม่ให้อัตมาอยู่ที่วัดได้ดูรายการแสดงธรรมสวดพระบิษณม แทบจะทุกวันก็ว่าได้พอที่วัดอาตมามีทีวีดูราชนาศินห้าก็ทุกวันทุกวันอาตมาก็จําหน้าไดเออ้เพราะว่าได้ดูเป็นเลร้อยวันเหมือนกันถ้าหากว่าศีลเป็นข้าวเป็นของหนูพ่ฟันไว้อย่างนั้นสงสัยตั้งแต่ฟังมาสองร้อยยี่สิบวันเนี่ยบ้าน ม, มีที่เก็บ <laughs> บ้านมนมีที่เก็บสิน หรือพระพรเก็บ <surely> ว <understanding ghosts> ้ท well ีิวัดเนี pues scheint, pink, nope, <sh> highs, ่ยกว่าว้ที่วัดนี่ก็ไม่รู้นะอัตมาก็เลยเป็นไปบ้างเหมือนกันเห็นหลวงพ่อฟั่นทำไมให้ศีลเวลาขอศีลขอศีลว่าจะเอาที่ไหนมาให้พ่อแม่ให้เรามาแล้วแขนสองขาสองศีรษะหนึ่งสำรวมไม่ไปทำความชั่วเออทางกายทางวาจาทางแขนสองขาสองศีรษะหนึ่ง อ, องดเว้นไม่ทําความชั่วทั้งห้าอย่างนี้มันก็เป็นศีล อ, อใครจะไปให้ใครได้ของใครของมันให้สารวมรักษาการเอาเองมันจึงจะเป็นศีลข่าวนี้หลวงพ่อควันท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านพูดอะไรก็รู้สึกว่าไม่น่ารังเกียจอาตมาเป็นพระผู้น้อยเวลาเขาขอศีลไม่ให้รู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยชอบชอบใจเป็นดันั้นคราวนี้อาตมาก็มาพิจน า, นานรณาดูว่า พุทธศาสนาเราเนี่ยมันก็เหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งอุปมาเหมือนต้นกล้วยต้นกล้วยเนี่ยมันมีกราบหลายๆายชาั้นจนกระทั่งมาถึงไส้ของกล้วยของต้นกล้วยแล้วผลมันจะออกมาก็จากไส้กล้วยมันจะออกมาเป็นปรีมาเป็นหวีเป็นเครือให้พวกเราได้บริโภคให้พวกเราได้ทานกันพุทธศาสนาก็ฉันนั้น อยู่มาได้เท่าสองพันห้ารอยกว่าปีเมืเนี้เพราะมีประเพณีเอาการจะทําบุญอะไรต่างก็มีการขอศีลธามาทานศีลคราวนี้การขอศีลเนี่ยพระนักขอศีลพระนัะนกกอศีลผู้ฟันจนว่าเหมือนกระุกเนี่ยแม่ขอตังมั่งพ่อขอตังมั่งมันขอตะตังอยู่เรื่อยมันก็น่าลำคาญเหมือนกันเอท่านว่านะนี่อาตมาก็จําท่านมาว่าไม่ใช่อาตมาออกมาเองดอก ถ้าวาเราลำคาญไหมลูกมันขอตังค์เรื่อยขอตังค์เรื่อยพนักขอตังค์บ้างขอตังค์บ้างขอตังค์บ้า ง, ง, ง, ง, ง, ง, งอย่างนี้เอข่าวนี้การที่สมาทานศีลขอศีลเนี่ยเป็นสมาทานวิรัติก็เป็นการสมาทานการขอไม่สู้เจตนาวิรัตคือตั้งใจไม่ทําความชั่วยุ่งกัดก็ไม่ตบมันเป่าๆขยับขยับเอา หลวงปู่ฟั่นท่านว่าปานาติปาตาเวแล้วมณีเว้นจากศิลปานาติบาตไม่ฆ่าสัตว์ยุงกัดตบปั๊บมันจะเป็นศินละท่านว่าอย่างนี้อาตมาก็จําท่านอย่างนี้แล้วจากนั้นเอเจตนาวิรัตเนี่ยเจตนาตั้งใจงดเว้นละเวน้นนี่เป็นศินของผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ต้องขอเงินใครไม่ขอสตังค์ใครทมาหากินกินเอง สมุเชเเตวีรัตเป็นสินของปริยเจ้าพระริยสง์ท่านเป็นไปเองหมดไปเองและจากจิตใจในความชั่วทั้งหลายแหละทางกายทางวาจาทางใจอย่างนี้เนี่ยขอให้เข้าใจอาตมาก็เลยรักษาประเพณีไว้เพื่อยงยืนต่อไปขอสินก็เลยให้สินเมร่อก่อนอาตมาก็ไม่เอาเหมันกันมันกําลังแกล้งวิชากําลังกล้ากําลังขลังวิชาก็ไม่ให้สินเขาขอสินขอสินเอ๊ะทำไมไม่ให้ศินก็มีบางองค์บางรูปเหมือนกันที่อาตมาดู มีบางรูปเหมือนกันที่ว่าลาลาสมาทานขอสินนาที่นี้ท่านไม่ให้ไปอย่างนั้นถ้าเออถึงขั้นกล้าดีเหมือนกันเวยกูไม่เอาไ ม, ไม่กล้ากูเดี๋ยวไม่ได้กันเทศไม่เอาไม่กล้าอย่างนั้นแหละให้ดีกว่ารักษาประเพนีเกออ็เข้าใจาตามนี้นะนัโมเมสัพพุธานังอุปนนานังไม่เฮสีนัง นัตทิเมสรณังอัญยังพุทธโธธรมโมสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัตวัะเชนะโสทิเตโหตุสพทาสรณ ะ, ะที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธโธพระธรมโมพระสังโฆเป็นสถา ะ, ะที่พึ่งของข้าพเจ้าประเสริฐสาธุนิการเก่าวสัจจวาจาจริงจากใจนี้ขอความสําเร็จความสุขความสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่ออัเชเวะกิจจมาตะปัง โกชัญญามรนังสุเวตีเอาเอามือลง <c oughs> ขอแสดงความครบนอบน้อมแด่พระเดชพระคุณพระเถระหลวงปู่สังวานเขมโกซึ่งเป็นบุรพาจารย์ของพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์สนองกรตะบุญโยอดีตเจ้าวาดวระสังฆทานนี้ด้วยความครบนอบน้อมและบรรดาพระเถระ หมู่สะทำบิกทั้งหลายขอโอกาสที่จ ะ, ะแสดงธรรมในวันนี้กิจ <c oughs> โหมนุ์ปราปริยาโภการได้กำเนิดเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนับว่าเป็นลาบอนประเสริฐของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุปนาธรรมาปัจจุบันนี้กุศลธรรมาอกุศลธรรมาเราก็รู้อยู่กายของเรา จิตของเราโดยเฉพาะกายกับจิตกายเราอยู่ในกิริยาบทใดจิตเรามันเป็นอย่างไรอยู่ในอารมณ์กุศลจิตหรืออกุศลจิตตอนของตอนเองเท่านั้นที่จะเป็นผู้รู้คราวนี้กุศลังจิตตังอุปนังโหติเรามีกุศลจิตอาตมาได้พิจารณาว่า ที่วัดสังฆทานนี้ทำให้คนรวยมากทำให้คนไปสวรรค์มากทำให้ใครคนไปพรหมโลกมากแต่ว่านิพานนั้นไม่สามารถจะรู้ได้เพราะอะไรทำให้วัดสังฆทานทำให้คนรวยมากเพราะจาโคงอะบอกบุญสร้างนั่นสร้างนี่สร้างนี่สร้างนั่นทำโน่นทำ น, น, ทำนี่ทำอะไรต่าง บัญดาญาติโยมทั้งหลายมีกุศลนิิเจตนากระจาโคจาคะกสระปัจจัยเงินทองข้าวของวัดสังคทานนี้จากสมการสวนดงธุเรียนดงมะม่วงดงผลไม้ต่างๆเป็นวัดร้างมีหลวงพ่อโตเป็นพระประธานอยู่มีสังฆาสังฆศีมุงอยู่เท่านั้นพระเดชพระคุณท่านจบคุณพระเดจพระคุณท่านพระอาจารย์สนองกระตาบุญโยท่านก็ได้เดินทุ ด, ดงมา จะริมาแล้วจากนั้นมันก็คงปรากฏในจิตของท่านจากการที่ทำสมาธิเพราะตัวสมาธิตัวนี้องค์พระหัตะสมาพระเจ้าพระองค์ทรงตรัสยืนยันไว้ว่าสมาธิงพิคเวภาเวทสมาหิโตยท่าปูทางปชานาติดูก่อนพิสุทังหลายท่านทั้งหลายจงทำสมาธิให้เกิด บุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่าอ๋อสถานที่นี้เป็นอดีตชาติของเราท่านเคยทําองค์ท่านไว้พุทธรูปองค์นี้ท่านสร้างท่านไว้วัดนี้ท่านเคยสร้างท่านไว้ในอดีตชาติภูเพกตะปุญญาตาที่ท่านได้กระทำมาแล้วจากนั้นจิตที่ห่วงตัวนี้จิตที่ยังไม่ถึงตัวนี้มันก็เลยเป็นวัฏตากลับมา กลับมาสถานที่นี้ตามที่เราก็ทราบบรรยูประกาศกันอยู่เสมอว่าท่านเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่แล้วทําไมท่านถึงได้มาที่นนบุรีนี้แล้วจากนั้นทําไมท่านถึงกลับไปมรณาภาพที่จังหวัดสุพรรณบุรีอีกอันนี้ท่านต้องรู้ด้วยตัวของท่านเรียกว่าปัจจตังสันทิติโกเราหารู้ได้ด้วยไม่กับท่านไม่อันนี้แหละท่านต้องประจักษ์กิตของท่านถึงได้ทุ่มเท ด้วยกําลังกายกําลังใจบวกกับปุเพกะตะบุญตาบุญเก่าวของท่านปาติลูปเทศวาสะเป็นถิ่นฐานที่สมควรทําให้บรรดาญาติทั้งหลายที่เคยร่วมบุญบารมีมากับท่านในอดีตชาติแล้วก็ปัจจุบันชาติมาเจอะเจอกันมาร่วมบุญบารมีกันใหม่จนกว่าจะแยกย้ายกันไปตามพบตามภูมิต่างๆอย่างนี้ เพราะฉะนั้นสถานที่นี้พวกเราทั้งหลายเคยมาสร้างบารมีกันครั้งกระ น, นั้นและเมื่อถึงการเวลามีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็สลายไปแล้วก็เกิดขึ้นอีกวาระหนึ่งในสมัยปัจจุบันนี้เราทั้งหลายถึงได้มาสร้างบารมีกันอัตมาได้เห็นและขออนุโมทนาผู้ที่นั่งอยู่ข้างหน้านี่คุณที่เป็นเหมือนจะเป็นอดีตเป็นอาหารอากาศเก่าเออไปอย่างนั้นแล้วก็คุณโยองผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ อาตมาสังเกตร จ, รจริงๆเลยเมื่อไหรก็นั่งอยู่ข้างหน้ า, ารัฐสาสินหรือบอกข่าวนั่นอะไรต่างๆโอ้มีความอดทนมากมีความเพียรมากมีความอดทนมากมีความอดกลั้นในความปวดความเมื่อยมากสร้างบารมีเพราะว่าความปวดความเมื่อยอย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นขึ้นอยู่ระยะหนึ่งขณะหนึ่งแล้วมันก็สลายไปนั่นไปยาตมานี่เมื่อคืนนี้ก็เหมือนกันเขานี่มบนออกไปนั่งโช มาคืนนี้ข้ามณ์มานั่งโชว์ที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่สะพานควายเออพระเจริญพุทธมนต์ห้าสิบรูปมต์บทต่างๆเจริญหมอดอาตมาไม่ต้องเจริญนั่งหลับตาอวดเขาอาตมาก็นึกสมเพศตัวเองทําไมกูต้องมานั่งอย่างงี้นาะก็ทําไมต้องมานั่งอย่างนี้นาะตั้งแต่สามทุ่มยันตีหนึ่งก็อยากได้ตังเขาอะเออธนาคารออมสินซะด้วยสซ่สำนักงานใหญ่ซะด้วย เออแล้วนั่งเป็นประธานด้วยเพราะว่าอาตมาพรรษามากกว่าเขารู้สึกอายุก็ยะมากกว่าเขาเพราะว่าพรรษาข้าออาตมาก็เอาสี่สิบสามพรษาอายุก็ห้าสิบไอ้อแหมจะหนุ่มไปซะหน่อยแล้วเออหกสิบแปดเต็มละหกสิบแปดเต็มละอาตมานี่อ่อนกับพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์สนองก็หนึ่งปีเพราะท่านเกิดปีวอกกัสองสี่แปดเจ็ดอาตมากเกิดทั้งสี่แปดแปดปีลกาเป็นอย่างนั้น และข้นี้ธรรมมาก็มาอุปสมบทเมื่ออายุยี่หปีพรรษาก็เลยน้อยกว่าท่านด้วยและอายุก็น้อยกว่าท่านด้วยเป็นอย่างนี้เออทำไมจะต้องไปนั่งก็เขานี่มลไปเพราะว่าชีวิตของพระเนี่ยเนื่องด้วยผู้อื่นเหมือนพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์สนองก็เหมือนกันท่านมาบุกเบิกท่านมาสร้างมาดึงหมู่ญาติของท่านที่เคยสร้างบา ร, รมีกันมาแต่ดีแต่ชาติเมื่อครั้งกันนั้นที่สร้างวัดว้ แต่แล้ว่ยังไปไม่ถึงลงมาจากบนสวรรค์บ้างเออมาจากนกกระรอกกระแตบ้างมาจากตะกรวดบ้างมาจากปลาบ้างมาจากปลาบ้างแล้วก็กลับชาติมาเพราะได้การได้เห็นได้ยินได้ฟังได้รับการแผ่เมตตาพวกตะกรวดทั้งหลายแหลในวัดนี่มากมายนะคตต่อไปมันอาจจะเป็นมังกรทยกวัดอาจจะเป็นเจ้าวาดอาจจะเป็นอะไรต่างๆต่อไปก็ได้มันของไม่แน่สักอย่างหนึ่งเออเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นผู้ที่มีสมาธิฉนั้นจึงจะเข้าใจออมีความเข้าใจว่าเป็นอะไรมาเกิดเป็นอะไรมาเกิดเมื่อตอนนี้ตมาก็มีความเชื่อมีมีความสงสัยการได้เข้าหาครูบาอาจารย์หลวงปู่ครูบาอาจารย์ต่างอย่างได้เข้าใจว่าองค์ไหนเป็นอะไรมาเกิดองค์ไหนเป็นอะไรมาเกิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พระสนองนี่ก็เหมือนกันท่านต้องเป็นวิญญาณใหญ่เป็นวิญญาณธรรมดาไม่ได้ท่านต้องเป็นคงเป็นพระมหากรสัตย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งแน่นอนตั้งแต่สมัย สุขโขทัยแอสมัยสุขโขทัยรุยาอาจจะเป็นสมัยรุญยานี่แหละเป็นอย่างนั้นพระราชวงศ์สุพรรณภูมิเนี่ยราชวงศ์สุพรรณภูมิเนี่ยคลองราชนานกว่เพื่อนสีอ่อเหมือนจะลอยกว่าปีหรื อ, อยังไงเนี่ยสี่สิสี่พระองค์หรืองไง ร, ราชวงศ์สุพรรณภูมิแล้วทาก็เกิดเป็นคนสุพรรณเพราะฉะนั้นอาตมาเองเนี่ยไม่มีความเชื่อว่าพระเจ้าโศกมหาราชผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยมาเกิดเป็นพ่ อ, อรีว่าโสการาม หลวงปู่ศรีพุท ธ, ธาเจโลเมื่อสมัยที่อาตมาอยู่กับท่านอาตมาก็กําลังนวดถวายท่านท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านไปเมืองปาตารีบุตรไปที่วัดอโศการามจัปัจจบันเรียกว่าปัตตนะท่านก็กําหนดจิตดูว่าพระเจ้าอโศกมหาราชหน้าตาเป็นอย่างไรก็ปรากฏเป็นพ่อตรีว่าโศการามผมจีวรพาสังติเดินมาอาตมาก็ถามว่าหลวงพ่อคนเนี้เชื่อหรือครับ พระเจ้าโศกมหาราชผู้ยิ่งใหญ่สร้างวัดแปดหมืนสี่พันวัดสร้างพระเจดี8 4แปดหมื์นสี่พันองอทำบุญมากมายแล้วตายมาเกิดเป็นลูกชาวนาพระอิสานที่ยากจนท่านบอกเออของแม่ล่ะกา้ามันมีขึ้นมีลงเออถ้าหาว่าเกิดเป็นลูกของด็อเตอร์เป็นเกิดลูกเจ้าสัวลูกเสียเขาส่งไปเรียนเมืองนอกเมืองนากันมดแล้วลรืสิไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้น หลวงปูป่คูบาอาจารย์ ต, ต่างๆเนี่ยโดยมากจะต้องเป็นลูกชาวไร่ชาวนาถึงจะบวชกันอยู่ได้เป็นลูกชาวไร่ชาวนาแต่แล้วก็มายิ่งใหญ่ได้มานั่นได้มีบา ร, รมีมากได้มาสร้างบา ร, รมีใหม่ได้นั่นได้เป็นอย่างนี้เอออตาตมาก็เลยมีความเข้าใจแม้กระทั่งอาตมาเองก็เป็นลูกชาวนาแต่ว่าภูมิใจยอยู่หน่อยหนึ่งที่ลูกเป็นลูกชาวนานครบาลเป็นอย่างนั้นเป็นลูกชาวนาลนะาดพร้าวนะครบาลก็ยช่วหน่อยเป็นอย่างนี้ ถึงได้มีที่ดินราคาทุงสูงหน่อยแล้วก็เลยขายไปสร้างวัดเองเป็นตัวของตัวเองอย่างนี้ล่ะเออเพราะฉะนั้นเมื่อชาติก่อนนี้ก็คงจะสร้างมาจากโคจากค่าสละมาซื้อที่ดินถวายวัดมาเมื่ออย่างที่ดินวัดสังฆทานเนี่ยต า, าก็ได้ร่วมซื้อด้วยนะร่วมซื้อด้วยเงินกันเทศเนี่ยเหลือร่มในหนองทองมันจะไปไหนเสียเงินกันเทศเนี่ยตามาก็ยกให้ซื้อที่ดินเงินกันเทศเนี่ยตามาก็ยกให้สร้างโรงพยาบาลเ อ, อวันนั้นมาเทศครั้งสุดท้าย พระเดชพระคุณท่านอาจารย์สนองบอกอาจารย์บรทนนิมนต์คืนนี้เต็มที่นะอตมาก็ขึ้นธรรมาจ ต, ตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มก็ลงจากธรรมาจก็เมื่อเวลาเจ็ดโมงเช้าวกว่ า, าแล้วจากนั้นก็ตอนเพลงก็ร่วมร่วมฉันบนโต๊ะกับท่านจบแล้วท่านก็เขียนเช็คให้ตมาไม่รู้กี่แสนหรือกี่กี่พันก็ไม่รู้แต่ตมาก็ยกจบเลยสาธุ ข, ขอถวายร่วมสร้างรอวางพระเดชพระคุณครับไวาอย่างนั้น เออไปอย่างนั้นเนตามาก็มีส่วนร่วมด้วยเหมือนกันจึงเดินได้เต็มที่นั่งได้เต็มที่เพราะรพื้นพื้นดินแผ่นนี้ก็มีส่วนร่วมด้วยเหมือนกันอย่างนี้แต่ก็ใส่อัดยายกินขนมยายนี่เรือร่มแดห น, อ, หนองทองมันจะไปไหนเสียเออแต่อตามาก็เอาเงินมาช่วยเหมือนกันนะเออตอนอตามาไปอยู่ต่างประเทศเนีน่ยตามาก็ให้หลานสาวมาเอาเงินปัจจัยม า, มานั่นมาบอกให้พวลงหลีดมาเขาบอกเขาไม่รับพวงหลีดปกติตมาจะถวายพวงหลีดของปู่คูบาอาจารย์ต่างๆแล้วก็ปัจจัยด้วย หลานสาวบอกเขาไม่รับพงหรอกอัตามาก็ฝากปัจจัยมาตามวาสนาบารมีเหมือนจะห <c oughs> นึ่งพันแล้วอัตามาก็ถวายให้เรื่อยแหละเออเป็นอย่างนี้อัตมาเชื่อตัวนี้ที่องค์พระพันตัดสมาพุทชาพระองค์ทรงตัดว่าญาติสังะะ่งว่าปเตพีจังญาติสั่งแล ป, ะปะเตพลังหวานพืชฉันใดได้ผลฉะ น, นั้นเราอยากได้ตังก็ต้องให้ตังอัตมาเชื่อจริงๆเลยเรื่องนี้ยเพราะอัาตามาจะสละจาโคจาค้าสล ะ, ะให้ไปนั่นไปอะไรต่างๆอยู่ปู่ครูบาอาจารย์ต่างๆมาเนี่ย อาตมาพูดตรงๆเลยว่าอาตมาเนี่ยถวายปัจจัยเงินที่บริจาคเนี่ยจากเงินที่ขายไล่ขายนามกระดกที่พ่อแม่แบ่งให้เนี่ยทำบุญกับพระธรรมยุทธมากกระลุงปู่คูบาลพระเจ้าพระยาสงฆ์ะรธรรมยุทธ์มากแล้วปรากฏว่าก็มีพระธรรมยุทธ์เนี่ยเมื่องานที่เผาศพคุณญาตญาตินี่เหมือนกันท่านพระอาจารย์ชินปุริปุนนอวัดธรรมัตถิตรก็ถวายอาตมาแสนหนึ่งไปร่วมสร้างกุฏิเนี่ยก็ปรากฏว่าอ้าวอาจารย์กาเข่งมั่งถวายอาตมา5้ 0,000 ร่วมสร้างไอ้มงลังคา แล้วเมื่อนี่เมื่องานที่งานลูกบูเย้าทั้งถวายตมาอีกแสนหนึ่งโดยมากจะเป็นพระธรรมยุท์ทั้งหลายพระตมาถวายกับหลวงปู่ครูบาอาจารย์รมยุทธ์เพราะตมาได้ความธรรมจากหลวงปู่ครูบาอาจารย์รมยุทธ์ค e ือหลวงปู่ฟันอาจโรมาก่อนแล้วจากนั้นก็พระเดชพระคุณเจ้าคุณพระราชนิโรธรังสีคำเพีรปัญาวิสิตเลยลบุเทศเทศรังสีอย่างนี้หลวงปู่ต่างๆอย่างนี้อตมาได้สละได้จาโคจั้าสละช่วยในการแรงต่างก็เลยปรากฏว่ามีคณะธรรมยุทธทนนาวัดมหานิกายนู้นึก็จะไม่เคยได้ตมาเลย เป็นอย่างนี้นะก้อนใหญ่ก้อนโตมีตระหนักทำยุทธขอไพร้ด้วยไม่ใช่ว่าจะเป็นการนั่นอะไรต่างแต่ผู้ตามความเป็นจริงนี่แหละบรรดาเราท่านทั้งหลายเราเกิดกันมาด้วยความไม่รู้ถ้าหากว่าเกิดมาด้วยความรู้เราจะเกิดเป็นคนร่ําคนรวยคนสวยคนงามคราวนี้เรามันขาดตกบกพร่องหลายสิ่งหลายประการแต่เราก็ได้มนุษย์สมบัติมาแล้ว ขาสองแขนสองที่สานหนึ่งไม่ง่อยเปียเสียขาตาบอดบ้าใบหูตาพิการนี่แหละเออถือว่าได้มนุษย์สมบัติมาแล้วจากพ่อจากแม่เป็นผู้ที่ให้สมบัติมานั่นมาเราไปน้อยอกน้อยใจว่าพ่อแม่ไม่ให้ทรัพย์สมบัติเออเราไม่ร่าไม่รวยเหมือนข้าวพ่อพ่อแม่เราไม่ให้ไม่มีทรัพย์สมบัติเรายังเกิดเป็นลูกคนยากคนจนอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นมนุษย์สมบัตินี่เราได้มาพร้อมแล้วมาทําเอาสร้างเอานั่นเอากันเอาเองตามวัฒนธรรตามบารมี องพระนตรัศม์มาพระองค์พระองค์ขอตัดเลยว่าบุคคลที่มาเกิดในโลกนี้มีอยู่สี่จพวกมีอยู่สอย่างหนึ่งตมตมปริยนอสองตมชติปริยโน3โชติชติปริยนอสีชติตมปริยนหนึ่งชตเอตมตมปริยนเป็นยังไงเล่าเกิดมาก็เป็นคนง่อยเปียเสียขาตาบอดบ้าบ้าบาหูหนวกตาพิการเออเป็นอย่างนั้นปากแหว่งพยายดานโวซีเออเป็นปริโอซีเออเป็นงานเป็นขี้เลือนกุดถังซีไม่ทําคุณงามความดี อาค้ายาเสพติดเสพยาเสพติดลักเล็กขโมยน้อยฉกช่องว่างเบาอะไรต่างทำแต่ความชั่วทําปนาติบาตไม่ทํากุญงามความดีเป็นอย่างนั้นเอาวัดสังฆทานก็ทําบุญกันอะไรประกาศอย่างไรรักษาศีลฟังธรรมกันสร้างโน่นสร้างนี้อะไรต่างก็ไม่ทํากับเขานั่งกับเขาไปสนุกสนานอะไรต่างๆไปตามเรื่องตามราวทางโลกโลกิยาโรคหลงโลกเป็นอย่างนั้นสิออก็เลยมามืดแล้วก็ไปมืดสมน้ําหน้าเป็นอย่างนั้นอยากอวดฉลาดอวดดี อสองตโมโชติปริญโญเป็นอย่างไรเกิดมาก็เป็นคนยากคนจนเอเราไม่มีที่ดินกับเขานอ้อะจะไปเช่าที่ดินก็ไม่มีค่าเช่านอ้อจะไปซื้อที่ดินปลูกบ้านก็ไม่มีนอ้อไปอาศัยริมคลองมั่งริมถนนมั่งอยู่เป็นอย่างนั้นเออเป็นอย่างนี้สิพ่อไม่เคยจ่าโคจ่าค้าไม่เคยสละซื้อที่ดินไว้เออไปวัดไหนเขาฝังร่นมิดเขามีการบริจาคซื้อที่ดินซื้อที่ดินสมาซื้อเลย เมื่อสสวรรค์นี่คริมนต์อาตมาไปที่นครปฐมอาตมาก็ไปไหว้องค์พระปถมแล้วปรากฏว่าเขามาีให้ร่วมซื้อที่ดินตารางวาละห0 0่พบาทอาอตมาเอาทันทีเลยหนึ่งตารางวาพอฝังตัวเองได้อา้าเมื่อนั้นอาตมาไปประเทศออสเตรเลียที่นครเมลเบิร์นไปทั้งหมดก็บิ๊กเบ น, เอนคอนคอสซิดนีย์เบทนเบล่าแล้วก็บิ๊กเบน ก็บอกว่าทางวัดไทยนครบิเบนเขาไม่มีที่ลานจอดรถเป็นอย่างนั้นเขาก็บอกบุญญาตโยมทั้งหลายที่ไปกันนะคณะญาติโยมทั้งหลายที่ไปกันประมาณสี่สิบปชิดพระก็แปดรูปก็รากฏว่าทางวัดเขาก็เลยบอกให้ญาติโยมทั้งหลายร่วมทําบุญซื้อที่ดินซื้อที่เป็นที่ธรณีสงไปที่ลานจอดรถเฝรั่งเขายินยอมขายให้ก็เลยท่านก็บอกบุญอุสาหนะท่านก็อุตสาห์เป็นทางฟุต ตารางคูณละสามพันบาทเอ่ถ้าหากว่าตารางเมก้าสามหมื่นบาทปรากฏว่าไม่มีใคร จ, าครจา่าโคจาค่าตละซื้อที่ดินเลยสักคนเดียวนี่เรื่องจริงแต่ว่าเขาเพ่งโทษกันเห็นนัตามาสูา่ไปสู่บุรีเ่เตะท่าสูา่ไปสู่บุรี่เขามองรังเกียจทั้งพระกรังเกียจตามาญาติโยกังเกียจตามาตามาสูา่ไปอ่แต่ไม่รู้ว่าหัวใจตรงเนี้มันยิ่งใหญ่ ปรากฏว่าเขาบอกบุญแล้วไม่มีใครซื้อที่ดินสักตารางฟุตเลยตารางฟุตละสามพันบาทไม่มีใครซื้อเลยอ่าตารางเมตรก็ไม่มีใครซื้ออัตมาทันทีเลยบอกเจ้าวาดเลยบอกผมซื้อสามตารางเมตรก็ก็ให้ไปแสนหนึ่งอัตมาก็ไม่มีเงินหลอกพอดีน้องสาวถวาย 90,00 แสจะหล่อรูปขี่มา้าเพาอ่อตมาเป็นทหารม้ า, มาหล่อรูปขี่มา้ารักษาพระองค์เท่าตัวจริง 9,00 าแสบาทน้องสาถวายให้อัตมาก็เลยเอาเงินตัวเนี้ยร่วมซื้อที่ดินที่ละครบิดเบนไป สาตารางเมตร 10,000 แบาทเป็นอย่างนี้ก็เลยภาพโพสทั้งหลายแหละที่คนเขามองอาตมาสู่โปงสู่ไปอาตมาอะไรบอกนี่แหละที่อาตมาสู่ไปเนี่ยอาตมาพิจารณาเตโชกสินังเตโชกสินังวาโยสินังวาโยสินังเอจิตมันเป็นสมาธิจ่าโคจาคะสละมันก็เลยปุ้ยไปหนึ่ง0สนบาทซื้อที่ดินในนครบิเบนออสเตรเลียถ้าหากาเวียนว่ายตายเกิดชาตินาอาตมาก็เป็นเศรษฐีที่ดินในออสเตรเลียเงี้ยเลยเงี้ยเลยเนี่ยจริงๆเลย มันเป็นอย่างนั้นนี่ใครทำใครได้ของใครของมันเอ่เป็นอย่างนี้สิคราวนี้เราเกิดมามืดเนี่ยเกิดมาเป็นคนยากคนจนเป็นชาวไร่ชาวน า, าการศึกษาก็ไม่ดีที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่ดีเครื่องดุงห่มก็ไม่ดีอาหารก็ไม่ดีก็ทำยังไงเราทำจะไม่สิ่งที่ไม่ดีมามก็ได้ไม่ดีสิอ่เป็นอย่างนั้นทราบข่าวว่าสนเขา สร้างโรงพยาบาลสร้างโน่นสร้างนี่โอ้ยมากมายหนังสือที่เขาส่งไปเนี่ยตมาอ่านก็บุญในนั่นซื้อที่ดินทํำกิจศนาซื้อที่ดินสร้างไอ้นู่นซื้อที่ดินสร้างไอ้นี่เอสารพัดแม้สีหลวงสงฆ์สารก็โบสแก้วบ้างเโรงพยาบาลบ้างซื้อที่ดินขยายที่ดินวัดบ้างจากที่พระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์สนองได้มาเอที่วัดก็มีนิดหน่อยท่านเหลือแตงที่เพราโตท่านขยับขยายไปเลยลอยไล่อะไรอย่างเงี้ยเออ เออเนก็ทําบุญกันเนาะเราก็เอาซาโคจ่าค่าสลากไปร้อยสองรสิบาทยี่สิบาทก็เป็นของของเราเออเป็นของเราสิน้ําท่วมก็ท่วมไปสิเอาน้ําท่วมดินที่วัดสังฆทานหายไปหมดเมื่อไหร่ล้วน้ําท่วมประกบว่าที่ดินก็ยังอยู่แต่พระเหนื่อยกันหน่อยญาติยมก็เหนื่อยกันหน่อยน้ําท่วมเป็นอย่างนั้นเออพวกเราเนี่ยน้ํามันท่วมอยู่แล้วรู้เปล่าไม่ใช่ว่าโอ้กัวจะน้าท่วมน้ําท่วมน้ํามันท่วมใจเราเออวิตแทงกันหรือยัง เออหลวงพ่อสนองเนี่ยท่นทยทนานงคงวิทย์แท่งแล้วปู่สังวานท่านคงวิทย์แท่งแล้วเออรพวกเราเนี่ยมันซึมอยู่ด้วยมันเลือเลเล่อรั่วอยู่เรื่อเลือจะข้าม้ฟังเนี่ยเลือมันรั่วปเป็นอย่างนั้นมันรั่วทางหูทางตาทั้งจมูกทั้งปากทางอะไรต่า ง, ง ๆ, ๆ, ๆ, ๆมันรั่วเลือมันรั่วจะจมแลไม่จมแล้จะถึงฟังก็ไม่ถึงฟังไปไปมันก็จมไปอีกเป็นอย่างนั้นเออพยายามจ่าโคจ่าฆ่าพยายามสละ ไปอย่างนั้นพยายามจาโคจาฆะสลามันเป็นของของเรานะอย่าไปน้อยอกน้อยใจอยู่น้ําไม่ท่วมไฟไม่ไหม้โจไม่ขโมยมดปลวกหม้อแรงต่างทั้งหลายก็ไม่กินไม่นั่นอะไรต่างๆไม่กวนบุญกุศลเนี่ยสุโขปุญญสสุยการสร้างสมบุญนำมาซึ่งความสุขเราอยากได้บุญไหม้เราเราอยากมีความสุขไหม้เราเอออาตมามาซึ่งองค์พระนัตตสัมมาพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดว่าสุโขปปปชาสาทุกโขปปปชาบวชสุขนักแรบวชสุกนักแรบวชดีนักแรอาตมาก็เอาอย่างนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณทำคุณาพรภัยบูงกระตะบุญโยเออฉาดาเดียวก็หลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณเอพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์สนองนี่แหละก Mayor ตะบุญโยไปว่าผู้มีบุญที่สร้างสรรมาทำมาแล้วนั่นไปแล้วเออท่านถามอนนาตมาว่าอาจารย์มันโทนสบายดีเหอรเหออาตามาบอกว่าสุโขพระพิชาครับท่านเงียบเลย เ, เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นอย่าถามพระว่าสบายดีเหรอพระสบายอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นพระสบายอยู่แล้ว เออหลวงพ่อตมากรรมการถามอาจชามติทนสบายดีเหรอสุโขพรประชาครับหลวงพ่อเออเอท่านว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นญาติโยมจะถามว่าเออหลวงพ่อพลินสบายดีเลยทุกขาอย่าถามเออท่านสบายแล้วเป็นอย่างนั้นตมานั่งชมท่านดูทีวีโอ้โหผ่องใสราศีสวยห่มผ้ากระสีสวยนั่งสงบเยี่ยมเรียบร้อยโอ้หน้าปลื้มใจกับท่านในหาเราทำไมจะเรียบร้อยสวยงามอย่างท่านมึงเนอะเออท่านทำท่านมาดีไปอย่างนี้ อาคาตาปุญญาต่างท่านธรร ม, มดีเป็นอย่างนั้นท่านเลยรูปสวยรูปงามเป็นอย่างนั้นองค์พระนตัตถสธมาพเจ้าพระองค์ทรงตัดว่าพิสูจน์ในพุทธศาสนาเนี่ยหนึ่งรูปปรับประมาณิกาสองโคสะ ป, ปะมาณิกาสธรรมประปะมากา4รูขับประมาณิกา1รูปปรับประมาณิกาเป็นยังไงเล่ารูปก็งามเหมือนลวกพี่ยันตระเราเานี้โอ้ยรูปงามถ้าวันนี้ลวกพี่ยันตรามาเทศวัตรกฐานนี่รับรองได้ลานวัตรกฐาานี่ไม่พอไคนนั่งคนยืนบนสลานี่แน่นเต็มเหมือนเรื่องจริงนะ อามาพิจารณหาหมดแลพระในประเทศไทยองค์ไหนก็สู้พระยย น, นัญจันตะเป็นตระไม่ได้ท่านจะไปที่ไหนนั่นอะไรต่างอาตมาสังเกตคิดใกล้ใกล้กลับท่านนั่นกับท่านมาเนี่ยสังเกตมาเลยเป็นผู้ที่มีนั่นมากที่สุดเพราะพระองค์ทรงตัดว่ารู้ปรับประมาณการหนึ่งรูปงามสองโคศ ป, ประมาณการจันตะท่านเสียงเพราะเป็นอย่างนั้นเออสีรู้ขับประมาิกาเออ ท่านก็ห่มจีวรสีไม่ฉูดฉาดญามเยอมาแรงต่างทำมัฟปัมมริกาการแสดงธรรมท่านก็ดีญาติโยมถึงได้เลื่อมสายสัตหากันมากเป็นอย่างนี้ออาคราวนี้เราสร้างสมวาสนาบา ร, รมีใหม่รู้ว่าสังฆทานเขาทำบุญอะไรต่างเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิรักษาศีลเราก็มาประพฤติปฏิบัติทำมั่งเอ่าจีจะกายกายจีจะพรกออกจากกันจะไปไหนเล่าสุวยเลยสุกติยันติที่เรามารักษาศีลไว้เราก็ไปสู่สองสวรรค์ซิออา เราอยากจะมีความสุขไม่ใช่เหรอเป็นยังไงอ๋อจิตประกายกายจิตพลาดกิการหรือกายจิตจิตจิตกับกายยังไม่พลาดกิจการอยู่ในโลกเราก็ยังมีความสุขด้วยอานิสงส์ศีลด้วยสายคุณงามความดีของเรานี่แหละตโมโชติปรายโนเกิดมามืดแล้วจะไปสว่างสามโชติโชติปรายโนเป็นยังไงเกิดมาสว่างเกิดมารูปสวยรวยทรัพย์ปติปัญญาฉเฉลียวฉลาด เป็นอย่างนั้นมีการศึกษาดีมีหน้าที่การงานดีการทํางานดีอ่มีคู่คลองก็ดีมีรถเก๋งขี่ก็ดีๆมีบ้านช่องเลือกสวนอะไรต่างๆก็ดีๆเอ่เพราะทําดีมาก่อนเรียกว่าปุเพกะตะปุญญตาเป็นงานสร้างของคุณงามความดีมาเกิดมาสว่างแล้วจากนั้นเลยประมาทความร่ราความรวยความสวยความงามไม่หลงแท้ไม่หลงตัวเองว่าสวยไม่หลงตัวเองว่ามียศเป็นนั่นเป็นนี่เรียกว่ามรณนะศักยมนะทิฏฐิถือตนถือตัวเป็นอย่างนั้น มันขวางทางนี้มันขวางทางความสุขเอถ้าหากว่าเรามีมันนถือตนถือตัวหยิงว่าตนเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนี่เป็นนั่นอะไรต่างเป็นอย่างนั้นเอถ้าถือตนถือตัวเป็นนั่นเป็นนี่ต่างมันขวางทางมันเป็นอย่างนั้นมันขวางทางที่จะไปสู่ความสุขมันเป็นอย่างนั้นไม่หลงความล่ําความรวยความสวยความงามประกอบคุณงานความดีใหม่เหมือนบรรดาเราท่านทั้งหลายนี่แหละไม่หลงเป็นผู้ไม่หลงสร้างเสริมคุณงามความดีใหม่จากโคจากข้าสระ เออความมาน่าถือตนถือตัวราบยศต่างๆทั้งหลายแหละลไรต่างๆเปเรื่องของโรกเป็นงานเรื่องของจิตนี่เป็นเรื่องใหญ่แล้วพยายามปลอดปล่อยมันพยายามปล่อยวางมันเออเพื่อต้องการความสุขอย่างนี้เรียกว่าโชติโชติเปรยโนมาสว่างแล้วก็ไปสว่างเออสี่โชติสมเปรยโนเป็นยังไงเกิดมาเป็นลูกคนร่ําคนรวยคนสวยคนงามประมาทรัวมัวเมาหลงไหลเออปรากฏว่าที่ไหนได้นอกดาวเข้าดาวอะไรต่างก็ไม่รู้ ไปเต้งกันเลยคาร์ดิการผับตายกันเป็นทั้งหลายพันคนอ้าวมานั่นกับประเทศคิวบาปรากฏว่าไปเต้งกันเยอะเยอะเยะตายไปเป็นร้อยคนเออเป็นอย่างนั้นสิเอตอตมาก็พยายามดูนะพยายามดูจังเลยพอทุ่มหนึ่งก็ดูละเอาละดูแต่ดูไม่ท้ายจบเพราะท่านมาชอบดูข่าวพระราชสำนักเป็งานก็ดูว่าสังฆทานเทศไม่เคยปรากฏว่าใครมาควางเทศว่าสังฆทานตายสักคนเลยนี่เออแต่ปรากฏว่าไปคาร์ิการผับตายกันเยอะบาดเจ็บคนเยอะ มาวัตถกรทานมาเคยปรากฏว่าไม่เคยมีใครกริ้งตกสลาเป็นสักคนหนึ่งไม่เคยได้ขังข่าวเลยว่ามีใครกริ้งตกสลาลงสากลาทรงไทยไปเนี่ยกริ้งตกสลาหน้ามือตกสลาไปตายไปถ้าตายไปจะมาให้มาเผาอย่างโยมยารัตนเนี่ยการปฏิบัติทําดีนั่นดีตายแต่มาก็เลยมาเผาเหมันกันเป็นอย่างนี้ออย่างคุณยารัตนเนี่ยแกไม่ประมาทบัวมา ว, มวแกสร้างสมคุณงามความดี เออเป็นย่างนั้นแกทํำคุณงามความดีไปตอนตายโอ้พระก็มากมากมายปู้คูบาอาจารย์ต่างก็มากมากมายญาติโยมผู้คนก็มากมากมายเป็นงนี้สิมันเป็นตัวอย่างแบบอย่างได้เหมือนกันเอามีความสนุนสนมคุ้นเคยกับอาตมาอาตมาถึงได้มาเป็นอย่างนี้เพราะถือว่าเป็นญาติการวิสาสาปรมาญาติความสนิทสนมเป็นญาติอย่างยิ่งเป็นอย่างนั้นสิไม่ใช่พี่น้องท้องเดียวคลานกันมาพี่น้องท้องเดียวคลานกันมาไม่ถูกกันทะเลกันก็มี เป็นอย่างนั้นแต่ว่าคนที่ไม่จะเป็นญาติพี่น้องท้องเดียวกันแต่สนิทสนมกันมีความเป็นความมักคุ้นกันถือเป็นพี่เป็นน้องกันนั่นกันอะไรต่างเนี่ยเรียกว่าวิส า, าสาปรามาติเป็นอย่างนี้ เ, เออบรรดาเราท่านทั้งหลายเนี่ยละเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้มัวเมาไม่ต้องสงสัยว่าการกับจิตจิตกายจะพลาดกันจะจะไปไหนเป็นอย่างนี้อจะมาด้วยความตะองค์ตะล่านมาแสดงธรรมเทศนาเนี่ยโอ้ยเมือนะม่อไหรเนาเมื่อไหรเนาะ กูจะได้มาเทศสัทีกูจะได้มาเทศสักทีเอ๊ะเขาไม่รู้จักกูละมั่งเขาลืมกูแต่ละละมั่งเอ้าท่านอาจารย์พะลินก็เคยไปวัดกูท่านอาจารย์สามากะเคยไปวัดท่านอาจารย์วายเคยไปวัดท่านอาจารย์โลกก็เคยไปวัดองค์นั้นก็เคยไปวัดไปวัดนรงนี้ทําไมลืมเราวนาะไม่นีมนต์เรามาเทพมาไม่นิ่มนต์เรามาเทศนาะลืมเราสละมังน้อหรือเราเทศไม่ดีนาะไปอยัางนันก็นึกน้อยอกน้อยใจเหมือนกันเอ้ไปไปหามาได้รับการเทศไปคืนที่2องนู่นน่ะ เออไปอย่างนั้นเออก็เลยนึกภูมิใจเอาตายก็ตายเถอะวะไม่เสียดายชาติเกิดแลว้วได้เกิดประเทศวัตถังคาานอีกเป็นไงงานเออท่านยิงคนนี้หมดประเทศหลายครั้งนะท่านอาจารย์เป็นลก่กิดพิณนโประเทศประเทศบอกเออผมบอกว่าผมไม่มาเทศอีกแล้วไม่มประเทศอีกแล้วสงสัยแล้ถามเพราะเคยมาเทศตั้งแต่สี่ทุ่มยันเจ็ดงช้าสงสัยแล้ถามสงสยยมมังยแล้วถามไม่ต้องมาเทศอีกแล้ววัตถังคทานเพราะได้แสดงออกไปจากหมดแล้วจากหัวจิตหัวใจคราวนี้ให้นรีเทิร์นกลับมาเออก็เลยต้องเอา เอาใหม่ก็ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นได้ควังตะระองค์ท่านเทศท่านเทศท่านเทศตลีลาแหลกละแหลกละแะหลากหลายกันไปนั่นกันไปบรรดาญาติโยมทั้งหลายก็ได้ยินได้ควังตะระองคแต่ท่านอัตมากนุโมธนาองค์นี้ตั้งปรเทศดีองค์นี้ตัระเทศดีองค์นี้ปรเทศใช้ได้องค์นี้กรเทศนาควังเอแต่เราเทศมั่งจะเป็นยังไงเนอได้ควังตะระองคแต่ละท่านเทศเนี่ยไม่เคยเลยว่าองค์ไหนกล้าแสดงออก ว่าเคยกลัวตายถึงที่สุดในการปฏิบัติธรรมว่าการที่เราภาวนาพุทโธธรรมโมสังโคยุบหนอพองหนอรู้หนอเห็นหนอสัมมาระหังเนี่ยคำว่าที่พึ่งที่กําจัดภัยได้จริงพุทธังสนากระฉามิธรรมัาางสรนากัะฉามิสังคงัสรรงสนากระฉามิพุทโธเมนาโถธรมโมเมนาโถสังโมเมนาโถเนี่ยเป็นที่พึ่งได้อย่างไรเป็นสนะเป็นที่พึ่งได้อย่างไรยังไม่เคยได้ยินองไหนเทศยังไม่เคยได้ยินองคไหนแสดง เพราะฉะนั้นวันนี้จะแสดงพุทโธธรรมโมสั้งโคเป็นที่พึ่งได้อย่างไรเป็นที่พึ่งคือกําปัดภัยได้จริงเพราะได้เจอของจริงมาแล้วจึงกล้าพูดของจริงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นของจริงมันเหมือนเกลือเกลือมันมีความเค็มมันรักษาความเค็มของมันไว้รักเคยยะอัตโนสาทุงโรรตังโรรตังยาถาพึงรักษาความดีของตนไว้ประดุลเกลือรักษาความเค็มเพรา ะ, ะนั้นของจริงก็ต้องเป็นของจริงอาตมาเนี่ยได้ผ่านการประพฤติปฏิบัติมา จากการที่ไปอยู่ของปู่ครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านอบรมสั่งสอนมานั่นมาจากการที่จะคิดจะบวชสัก7วันไปรบเวียดนามมาเอออยากจะแต่งงานอยากจะมีเมียเออพ่อก็บอกว่าเออเองรักสั่งคําสั่งขวานพ่อไว้ถึง25ปีว่าบวชแล้วค่อยมีเมียเป็นอย่างนั้นอัตมากลัวเพราะพ่อบอกตัดพ่อตัดลูกกันสมัยก่อนไม่ได้เลยถือมากเลยว่าถ้าใครมีเมียก่อนบวชนี่เออถือว่าตัดพ่อตัดลูกเลยอัตมากลัวพ่อตัด พ่อตัดลูกกันตัดคอตัดแขนตัดขายยังไงก็ไม่รู้ประวัตอขนาดผู้หญิงชวนหนีก็ยังไม่ยอมไปด้วยไม่เอาผู้หญิงชวนหนีก็ไม่ยอมไปเออไปอย่างนั้นนี่เรื่องจริงนะเห็นรูปร่างหน้าตาเงี้ยมีผู้หญิงชวนหนีกันนะเออพอดีผู้หญิงท่านมันไม่รวยถ้ามันรวยก็ไปกันแล้วครั้นี้พอดีมันไม่รวยนะแล้วก็แถมไม่สวยหนัก <c oughs> เออถ้าว่าไม่รวยก็ขอให้สวยถ้าไม่สวยก็ขอให้รวยปรกากฏมันไม่ได้ทั้งสองอย่างตบาก็ไม่ไปไปอย่างนั้นก็เลยอยู่มาทั้งสุกวันนี้เออก็เลยพ่อบอกเออ ไหนเองรักษาคำสั่งพ่อมาถึง25ปีบวชเช้าเย็นศึกพ่อไม่ว่าว่าอย่างนั้นก็จะบวชสัก7วันแล้วก็แต่งงานเออบองกลองว่าบวชเนี่ยเวันเนี่ยจะบวชสัก7วันเนี่ยเอสาหังก็ว่าไม่ได้ศีลสิบก็ว่าไม่ได้แห่รอบวบชมงเท่งบงมงเท่งมงอนุ ง, งขาวผมขาวมือพนมรรถือดอกบัว ก, ก็กินเหล้าไปด้วย <S <S พวเพื่อนก็ส่งแก้วเหล้าหแห่ร่อ บ, บวช ก, ก็กินเหล้าไปด้วยนี่เรื่องจริงเรื่องจริงพันจอเลยแหละเออจากนั้นจะแห่หน้าร่อ บ, บวช ก, ก็กินเหล้า อ้าวเข้ามาในโบสถ์เออแขวนก็อุ้มพวกเครื่องตถ่พวกหมอนพวกอะไรต่างนําหน้าเพื่อนก็ป้อนเหล้าป้อนเหล้าป้อนเหล้าก็แห่รอบโบสอ้าวสมรอบแล้วพอเข้ามาในโบสถแล้วปรากฏว่าเขาให้ศีลสิบแท้ออพอศีลสิบแล้วปรากฏว่าวิกาลพโชนาว่าได้สุรว่าได้อะไรต่างว่าได้พนัตจักรีตวาว่าไม่ได้แล้วเออว่าได้ขวิกาลโภชนาพนัตจักีตวาว่าไม่ได้ยาวนี่ว่าไม่ได้ออพระอาจารย์ผู้ให้ศีลต้องบอกอะไร จะบวชทั้งทีสินสิบก็ว่าไม่ได้กําลังเมาเหล้านี่ผมไม่ได้บวชอาชีพครับท่านก็เลยเงียบแล้วจากนั้นพอเข้ามาเอสาหังก็เบ่งกล้ามอวดอีเสอพนมมือเบ่งกล้ามเพราะสมัยก่อนเล่นกล้ามเนี่อเบ่งกล้ามอวดธรรมการพระอันดับต้องยี่สิบลูกเป็นยางงไ น, นอเอออเสาหังพันเตลูกในเปจะอยู่กับใครอเออป็นยางงั้นเอสาหังก็ว่าไม่ได้อีกแล้ว เอเลวด ก, ก็ขึ้นหน้าที่กลาลังเมาเหล้าอ่ะเป็นอย่างนี้แล้วกลับไปจากเวียดนามใหม่ๆด้วยเออพระก็หัวลอกากาๆกาๆกฐามาก็พลั้งขึ้นมาเลยเซผมไม่ได้บวชอาศัยพระเหลืองหากินในพวกท่านนะครับตะโกนลั่นเลยเซเงียบกันหมดเลยก็เลยต้องบวชได้สอนพิธีละคำระคำถ้าไม่ไปลูกเศรษฐีแล้วก็แล้วก็ไปลกเวียดนามแล้วก็สงสัยบวชไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่แล้วพอบวชเข้ามา ได้มาศึกษาได้มาอ่านประวัติครูบาอาจารย์ต่างๆมาอ่านประวัติชีวประวัติโนประวั ต, วติของปู่มั่นโอ้มันเล่าใจเหมือนนักลบที่ออกรบเป็นอย่างนั้นก็เลยทราบว่าวมีพระอาจารย์ใหญ่คือพระอาจารย์ฟัน่นเป็นอย่างนี้พอไปที่หลวงปู่ฟัน่นทำขามตะกลนคร เ, เป็นอย่างนั้นพบอาวาธอัศจารย์พอได้เห็นปั๊บเนี่ยกองคำบาลีที่ว่าสมานานันจัตทะตนางเอตามมังครุฑมัง โอ้โหมันอุทานออกมาในท้วง อ, อกเลยว่าครังพระพคัพตการยังมีอยู่อีกเลยเนี่ยพอเห็นหลวง ป, ปู่ควันท่านลตัวมันลอยกายรทหุตาจิตหุตาตัวมันลอยเบาไม่มีน้ําหนักเลยลอยก็ไปหาท่านไปกราบพิธา <c oughs> ท่านคําแรกเลยเฮ่อมาจากไหนล่ะผมมาจากกรุงเทพครับ <c oughs> มาทําไมเฮ่อ <c oughs> ผมจะมาศึกษาให้หลวงพ่อครับ <c oughs> มาศึกษารายที่นี่มีตะปาตะเขาเห็นไหมล่ะ กรุงเทพเจ้าคว้าเจ้าคูณมหาปรียนวสังฆทานก็นมีทำไมไปศึกษาเขาล่ะอุปมาครับอุปมาไงาช้างเผือกยมอยู่ในป่าครับแล้วก็หัวล่อก็เลยบอกว่าผมจะมาศึกษาได้หลวงพ่อไปอย่างนั้นอพอตอนกลางคืนท่านเทศกูสลาธรรมากูสลาธรรมาไอเราแม่เข้าใจนี่กูสลาธรรมานี่หมายถึงก็สวดให้พระไอคนตายควัง หรือพระจะสวดให้พ่อสนองวางแท้พ่อสนองท่านฟังมาก่อนแล้ ว, ท, ท, ลวท่านทําแล้วท่านถึงได้ทมากมายสโลงสลาละอะไรต่างเนี่ยท่านกุศลาธรมาของท่านเป็นอย่างนั้นแล้วพวกเราล่ะเป็นอย่างนี้ของใครของมันสิใครทําใครได้เออธรรมาก็เลยเข้าใจว่ากุศลาธรมาอากุศลาธรมาเป็นอย่างงี้สิอากุศลาธรรมมาเป็นยังไงล่ะเกิดมากลุ่มสวยรวยทรัพย์ปัญญาฉเฉลียวฉลาดใครก็ต้องการใช่ไหมล่ะเฮ้นี่แหละกุศลาธรมาบูนว่างไงล่ะ อากุสลาธรมาเป็นยังไงเกิดมาก็ง่อยเปียเสียขาตา บ, خر, บอดบ้าใบหูหนวกตาวิการขี้เหลือนกุดถังปากแหว่งไปดานโบกใครต้องการลา้วฮานี่และอากุสลาธรมาบาปเนี่ยโอ้โหต่อหน้าหลวงพ่ อ, อ, อวันอรตมาโห่ร้องไห้ร้องไห้ถอนจนไม่มีน้ำตาจะไหลโอ้โหเกิดมาเราไม่เคยได้ยินได้กวัง ความรู้สึกในขณนะนั้นนั้นเนี่ยที่หลวงปู่ฟั่นเทศเนี่ยเหมือนกับว่าจะมาอยู่ทร่รมกลางทะเลทรายในทร่รมกลางทะเลทรายแดดมันร้อนไม่มีร่มแล้วก็ปรากฏไปเจอต้นไม้ล่มดกใบหนาแล้วจากนั้นก็ไปเจอน้ำเย็นเย็นหลวงพ่อควันแถวน้ําเย็นเยนแช่น้ําแข็งทิ้งด้วยสิเทลาดรถมันเย็นยือ่อกายลู้ตาจิตเบากายเบาจิตเบาโอ้ร้องไห้มีมินตาจะหลายจึงอยู่มาเท่าทุกวันนี้ล่ะ เนี่ยพระกุศลาธรรมากุศลาธรรมาอ๋อเป็นอย่างนี้เองถ้าเราไปลบเวียดนามกินเหล้าเมาสุราข้าวนาลีคิดว่าเป็นสวรรค์รูปบูชายถ้าเราตายในเวียดนามมีหวังเลยตกตลกเป็นอย่างงั้นเลยข่าวนี้มันมีปุบเพอกยตาปุบเพย์กยตาถ้าจอนที่สร้างมาดีแล้วนั่นแล้วที่นี่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบศาสนาได้มาบวชในพระศาสนาเนี่ยมันมีของเก่าเหมือนกับพวกเรานี่มีเบี้ยเลี้ยงมีเงินเดือนมีโบนัสมีแรงต่างมีของเก่ามีทรัพย์สมบัติของเก่ามีแรงต่างเก่า อย่างนี้มันมีของเก่าไว้กินแล้วเราก็ไม่ประมาทมวมาก็จาโคจาฆาสร้างบุญใหม่ทาใหม่นั่นใหม่เราก็ไม่อดไม่อยากที่ยาดีสั่งว่าเเตพี่สังยาดิสัง่งและปรปเตพลังอย่างนี้หวานพืชจะได้ก็ได้ผลจะนั้นนี่ล่ะข่าวนี้ตมาก็จะเล่าเรื่ององพุทโธ ท, ทำโมสังโคลรรูุฟัน ท่านบอกกลัวเสือกลัวช้างกับพุทโธขึ้นมากลัวผีกับพุทโธขึ้นมากดผัวกดเมียกับพุทโธขึ้นมาขี้เกียจขี้ค้างกับพุทโธขึ้นมาปวดเมื่อยกับพุทโธขึ้นมาอย่าพลิกไปพลิกมาให้พุทโธขึ้นมาพุทโธขึ้นมาเร่อว่างั้นเหรือว่าว่านเร่อว่างั้นสมาชวางเทศหลวงปู่ครูบาอาจารย์ต่างๆในสมาชิกนิ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสมาชิกนั่งนิ่งปวดก็เวทนาสักเวทนากายก็สักกายเวทนาสักเวทนาเอ พะปวดพระเมื่อแกกุศลาธรรมมากุศลาธรรมมาพุทธโทธรรมโมสังโฆพุทโทธรมโมสังโฆมัจะพลิกไปพลิกมาไปอย่างนี้ไปอย่างนี้ขันติความอดทนเป็นตบะอย่างยิ archives. ่งเอไปอย่างนี้เลเนี่ยธารมาก็ได้ความพุทโทธรมโมสังโฆจากหูวู่ขวันธรรมาจีเข้าใจข่านี้ว่าพุทโธเมนาโถธรมโมเมนาโถสังโฆเมนาถโทพุทโธเป็นที่พึ่งของเราธรรมโมเป็นที่พึ่งของเราสังโฆเป็นที่พึ่งของเราพุทธังสระังกระฉามิธรรมังสระนังกระฉามิสังกังตระังกระฉามิ ออไอพวกเราไม่เอาพุทธังสนางกระฉามิธรรมังสนางฉามิสังคังสรนังกระฉามิแท้เอาสตังสรนังกะฉามิกันมันถึงเดือดร้อนวุ่นวายเออจะรถเก่งยี่ห้อใหม่ๆ่ป้ายแดงแดงสนางกะฉามิจะเอานู่นเอานี่เป็นสนางเป็นสรนังกะฉามิสรนังกะฉามิเออมันไม่ได้สักอย่างสิทิ้งไว้กับโลกหมดเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละ อ, อ, องค์พระนันต์ัดสัมมาพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดว่ารันเยวาวรุกขมูมเรวานุ ญ, ญาคาเรวพิโุเที่ยวปลายาภิกเวจาริกังเธอเที่ยวปานุ่นป่านุ่นขา่านุ่นธรรมเหมิยางเงื่อมผาเธอจงไป เ, เธอจงไปเกิดความขนทองขยองก้าวให้นึกถึงเราวถาโคตรเกิดความกลัวให้นึกถึงพุโทธโธธรรมโอสังโฆอิทิปิโสสว่าขาโตสุมโนสาวกสังโฆคือพุทธทรธโมโอสังโฆอย่างนี้อาตอมาเมื่อได้พุธทธธรมโอจากหลวงปู่ฟั่นแล้วก็ไปจำคุณพุทธาสาวกพระเดชพระคุณ ท่านจะคุณพรนธิโลดทลังสีคำพีปัญญาจาร์หรือปุเทศสมัยนั้นเนี่ยก็ได้รับการอบรมจากท่านนั่นท่านอะไรต่างเอก็มีความเข้าใจาจากนั้นไปกราบมุงปุแหวนเมื่อพศสองพันอก็ได้พุทโทรธธรรมโมสังโฆมาจากท่านแล้วท่านก็อบรมอัตมาสั่งสอนมาวัตมาที่จะไปนั่งเพ่งอสุภะที่ป่าเหวป่าช้า หลวงปู่ฟั้นท่านว่าเออไปเพ่งทำมอกเป็นทำเมานาไปเพ่งอสปงอสุภาพเป็นทำเมาณะไม่เพ่งกายวานาคืบนี่นาเอ่ อ, อูุทางปาตราเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาทอเกยสามตกาเบื้องต่ำตะปายผมลงไปตาจ่าปริยันตมีหนังหุ้มอยู่ที่ติดรอบนี่นาให้เอากายเป็นมร์เอากายเป็นผลเพ่งมันอยู่นี่นาไปเพ่งอสุปงอสุภาพภายนอกเป็นทำเมานทาทว่างั้นเอ่ออัตมาก็รู้ว่ารัฐปูตินนี่มันเก่งมากมันเพ่งพระอาทิตย์เถือนอย่างเงี้ย รัสปูตินได้อ่านรัสปูตินมันเพ่งพระอาทิตย์จนในตากล้าแข็งเรื่อสามารถเพ่งพระอาทิตย์ตั้งแต่เช้ายันเที่ยงได้ตาคมกล้าแข็งราชวงงัวมันอปถล่มเพราะรัสปูตินนี่ละออหลวงพี่ยันตาท่านก็เพ่งพระอาทิตย์เหมือนการตาท่างคมเม่ละทสาวนี่ไม่ได้สบตาพี่ยันตตาไม่ได้อ่อนรนะวยเลยละ่ะเป็นอย่างนี้เรื่องจริงตมาสังเกตหมดมาอยู่ใกล้ชา ย, ยันต์ตาเนี่ยเวลาท่านเทศเทศไปมองไปถนนบ้างมองไปทาง น, นี้โอ้ทศสาวนี่โห้ยถอนให้ใจเฮือกเลยมีแรงขึ้นเป็นอย่างนั้นตาทัานคมเพราะท่านเพ่งพระอาทิตย์ อาตมาเข้าอย่างมั่งหลวงปู่แหวนถ้าก็บอกเป็นทำเมาไปอย่างนี้อาตมาก็เลยเละหายเมาไปตั้งแต่บัดนั้นเออจะเอาอย่างรัตปูตินมันเออไปอย่างนี้ตามันแข็งมันสะก ด, ดสาวได้เนี่ยสาวเห็นเปิดปตาอ่อนละรวยไปเลยเปอย่างนี้เออนี่ลาอยู่กับท่านอา้าวเช้าวันหนึ่งเอออาตมาจะตื่นทั้งเวลาตีสามนั่งสมาธิตีสี่ไปกติหลวงปู่ไปนั่งน้าติกติหลวงปู่ตีห้าหลวงปู่จะออกมาเดินกลมอาตมาก็เข้าไปในห้องขันไปทําความสะอาดอย่างนี้ วันนั้นพระเข้าไปปุ๊บอาตมาก็จะเข้าไปเอาบาดของท่านเพราะท่านจะออกมาฉันข้างนอกที่สลาอาตมาก็ไปรับบาด ท, ท่านท่านก็เลยบอกว่าเออวันนี้ไม่ต้องไปบินทบาทนาะอาจารย์หนูก็จะพาไปฉันที่บ้านเ้านาะเออเขาแต่งงานกันนาะเออเขาแต่งงานกันเสพกามการเป็นผัวเป็นเมียกันไม่ใช่ของแปลกของอาัศาจรรย์นาะ ช้างมาวัวควายหมูเป็ดไก่มดดำมดแดงมันก็เป็นผัวเป็นเมียกันมันก็เสพกลางประธานนาผู้ใดมาอยู่ในศีลสมาธิปัญญามันจะอัศจรรย์นานี่ก็เหมือนกันและหลวงปู่งสงวานหลวงพ่อสนองนี่เหมือนกันท่านอยู่ในศีลสมาธิปัญญาสิจากวัดสังฆทานวัดล้างจึงอัศจรรย์ไม่เล่าสาลาเสาต้นเบลอเบลออย่างเงี้ยอวัดสังฆทานจากที่มินิเตอร์ก็กว้างขวางใหญ่โตเป็นอย่างนี้ล่ะเนี่ยเพราะอยู่ในศีลสมาธิปัญญาเป็นอย่างนั้น อาตมาได้ควางหลวงปู่แหวนท่านว่าอย่างนี้ว่าจะไปเอาอย่างช้างมาบัวควายหมูเป็ดไก่เป็ดมันดํามดแดงมันอาตมาก็เลยโอ้ยงั้นกูไม่เอาละโอ้ยกูอยู่อย่างนี้ดีกว่าไปเลืกพุทธเจ้าดีกว่ามันอัศจรรย์ดีเออมันอัศจรรย์ดีสิมันเป็นอย่างนั้นถึงว่าสุโขพุทธามีความสุขนักแรไงเล่าเอ้าสุโขสาวสุโขพรทชาบวชดีนักแร้เป็นอย่างนี้สิเอาอย่างเอ้หลวงปู่ครูบาอาจารย์เอาอย่างพุทธเจ้าท่านไม่เอาอย่างหมาอย่างแมวมัน พวกหมาพวกแม่มันเป็นผัวเป็นเมียกันมันเสพกามกันโอ้ยกูไม so ่เอาอย่างมึงละมึงเอากันก็ไปกันละกันกูไม่เอากับมึงละจะหาว่ากูโง่หาเมียไม่ได้กับช่างมึงไปไลกกูกูอยู่กูอย no. oh, ่างนี้แหละกูสบายกูแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยอยู่ของปู่คูบาอาจารย์ตรองท่านมาท่านอบรมสั่งสอนมาเป็นอย่างนั้นหลวงปู่ฟั่นก็สอนให้นันพุทธโธธรรมโมสังโฆปูแหวงก็สอนพุทธโธธรมโมสังโฆปูฟั่นหลวงพ่อชาเออไปอยู่กับท่านก็สอนพุทธโธธรรมโมสังโฆให้ภาวนาพุทธโธธรรมโมสังโฆทางนั้นข่าวนี้ว่าเป็นที่พึ่งงงที่กําจจััดดภยยไไ้ริง อตาตมาไปอยู่ในหลวงปู่แหวนพศ 2,515 เอ้ย 2,516 ก็ลงจากดอยแม่ปังมาก็ไปอยู่ในป่าเ้วก็เดินจงกรมพุทธอธรรมอทังคอพุทธอธมอทั้งคอในขณะที่เดินพุทธอธรรมอทั้งคอนั้นก็เหยียบเลยเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยพระพธิ์ยังมาทันทอเลยเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยก็มีไปฉายก็บอกนเล็กอยู่ในมือก็ฉายดูโอ้โหงูสามเหลี่ยมเอหรือภาษาอีสานเรียกว่างูทําทานภาษาภาคเหนือก็เรียกว่างูก้านป้อง ไปงนงูสัมเหี่ยมมันกัดคนตายไปดูในสถานทวพพาได้งูสัมเหี่ยมมันกัดคนตายไปอย่างนั้นทำไมมันไม่ดิน้นเออนี่แหละพุโทโธไปอย่างงี้สิเออถ้าเหยียบหนอสมมาละหังเหยียบหนอแล้วก็มีหวังมันฉกเอาหรือไงก็ไม่รู้สิเป็นอย่างงี้แต่ธรรมาได้เห็นแล้วแหละว่าอ๋อพุโทโธเป็นอย่างงี้เองงูมันไม่ดิ้นน่ะก็เลยยกเท้าก็ดูนับดูแลสามสเจ็ดปล้องก็คุยกันมันเออเพื่อนทุกเพื่อนยากเอออย่าเบียดเบียนกันนะมีความสุขนะนั่นะนะนะอะไรต่างอย่างนี้ ก็เลยเดินจงกรมกลับไปกลับมาเมื่อค่อยเลื่อยไปนั่นไปอะไรต่างจากนั้นปีพศ2517เออก็ได้ไปภาวนาที่บ่ออ่องขณะที่กําลังลเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาก็เสียงฮอกฮอกฮอกอโอ้โหท่วมหัวเลยมันแผลไม่เบี้ยเอแลบลิ้นแ ผ, แ ผ, แผลบล็ ок, h ok, h ok, h ok, h ok. อกอกฮอกฮอกฮอกอกอาตมาก็นึกว่างูเห่าไปอย่างงาั้นไปเล่าปุถเทศฟังประุเทศเขาบอกนั่นแหละงูจงอางถึงได้อ้อนี่งูจงอางมันเป็นอย่างนี้เอง มันหอกคอคอคอคมากับพุโทโธพุทโธเพื่อนทุบเพื่อนยากเอออย่าเบียดเบียนกันนะมีความสุขความสุกนะมันก็เหวี่ยงตัวไปอย่างนี้เนี่ก็ได้ประจักษ์ถึงคุณของพุโทโธที่ได้ทองพุโทโธจากนั้นปีพศสองพร้อยเจ็ก็ที่บัวอ่องอีกอก็ไปอีกก็ปรากฏช้างป่ามากกันมากมายช้างป่ามากกันมากมายวันที่หนึ่งไปกับสองพระแมนน่สังอง อ, งงอวันที่หนึ่งก็ปรากฏว่าพอสองน้ําเสร็จก็เดินจงกรมตอนเย็น อ่ามันเป็นสระน้ำํำต้องมีภูเขาลอยๆเหมือนภูเขาทองในกรุงเทพเราอย่างงี้ล่ะเอะ่มันมีเจดีย์อยู่บนยอดนั่นอ่ก็ประกอบด้วยเสียงอ้าวฮึมโอ้โหขี้เยี่ยมจะแยกกันออกเอ่นึกว่าเสือโคร่งมันร้องเราไม่เคยได้ยินเสียงช้างป่านี่เป็นอย่างงั้นอ่เราไม่ใช่ลูกป่าก็เลยพาสำเนียงขึ้นบนยอดเจดีย์นั่นขึ้นไปไปที่ยวบนเจดีย์นั่นขึ้นไปนั่งบนน้นเอ่มันก็ตอนสี่ทุ่มมันก็ลงมากันลงมากินน้ํากัน วันที่สองมันก็ลงมาเวลาสองทุ่มวันที่สมอาตมาตอนบ่ายก็นั่งสมาธิอยู่ที่ริมขอบสระก็นั่งเพ่งพระจีดีนั่งดูพระจีดีแล้วก็โอไปโกน้อมเข้ามาแล้วก็นั่งหลับตาเพ่งนั่นอยู่ทางป่าก็เป๊ะป่าเป๊ะป่าเป๊ะป่าเป๊ะป่าเป๊ะป่าแล้วก็มาพิจารณาว่าเอ๊ะเรากลัวตายเราจะไปนิพพานได้ไงเพราะพระนิพพานนี่มันต้องข้ามเลยตายมันต้องเลยตายถ้ากลัวตายจะไปนิพพานไม่ได้ น้องสละตายถึงจะถึงถึงพริพานเป็นอย่างนั้นเพราะวาความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีเรายังมีที่รักอยู่อะที่รักคือตัวเราถ้าหาวก็ยังรักตัวเรารักท่าสี่ดุ น, น้ำล ม, มไฟอยู่นี่เกสาโรมานะขาตันตาอยู่นี่เรายังกลัวตายไม่กล้าสละตายบูชาพระธรรมเราจะได้พบธรรมได้อย่างไรเราจะถึงซึ่งธรรมได้อย่างไรแก่นของธรรมจะได้อย่างไรความรักตัวกลัวตายเนี่ยมันสุดยอดแล้วไม่มีอะไรเกินมันอีกแล้วเออเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอยอมตายขอให้ช้างมาก่อนตะวันตกดินเออชาช้างฝูงนี้โขงนี้เคยมีเวรมีกรรมกันมาเคยฆ่ากันมานั่นกันมาขอให้มาก่อนตะวันตกดินข้าพเจ้ายอมตายพุทธโทธรรมโมสังคมีจริงเออชาตินี้ชาติหน้ามีจริงมรรคผลนิพพานมีจริงข้าพเจ้าขอยอมตายขอให้ช้างมาก่อนตะวันตกดินข้าพเจ้าจะเป็นลูกผัวมันขอให้มาก่อนตะวันตกดินจากนั้นก็ส่งน้ําส่งน้ําแล้วก็ห่มผ้าให้เรียบร้อย ให้สามเณรเด็ดดอกบัวในสะสาดอกร่างจากนั้นขึ้นไปชุมนุมเทวดาบนจีนั่นประกาศเทพิดาคว้าดินพุทศาสนาขอตั้งกระยาณจิตอธิษฐานต่อองค์พระนันตักสัมมาพระเจ้าพระองค์พระปฏเจ้าพระเจ้าพระองค์พระเดียสาวกเจ้าทุกพระองค์เทพทยเทวาเทพยาคว้าดินรักษาพุทศาสนาในหมื่นโลกธาตุแสนจอกวานภูมิมาเทวาลุกขะเทวากาดเทวาพระสยามเทวาธิราชเจ้าป่าเจ้าเขาทั้งหลายข้าพเจ้าขอยอมตายในวันนี้เพื่อพิสูจน์ธรรมเพื่อเข้าถึงธรรมข้าพเจ้าขอมีพบมีชาติ ไม่ขอเกิดมาเป็นเจ้าคว้าพญามหากษัตริย์ไม่ขอเกิดเป็นเศรษฐีหมาเศรษฐีเกิดมาเป็นผัวนายกรัฐมนตรีมาขอเกิดเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เอาเกิดเป็นอะไรไม่เอานั้นขึ้นชีวชาติคือความเกิดไม่เอาทุกข์าชาติปุนัปปุนังเกิดมามันเป็นทุกข์พอเกิดมาท้องพ่อท้องเกิดมาจากท้องมากอังแออังแออังแออังแอไม่มีเลยเกิดมาจนป่านี้ที่นั่งเต็มทุลามีเด็กคนไหนออกไม่ท้องแม่แล้วหูวล็อกแก๊กแก๊กแมีไหมโยมฮะ ใครเคยเห็นเด็กออกมาท้องแม่ร้องร้องฮะหูลอแกะก๊ะแกะแก๊มีไหมมีแต่แง่แงแง่ทางนี้นนี่ผู้ควันเห็นว่านะสมาจํามาว่าผู้ควัานบอกมีแต่แง่แง่ทางนั้นี่หละทุกข์ขาชาติปุรนับปนางเกิดบ่อยๆมันเป็นทุกข์เกิดมามันเป็นทุกข์เป็นอย่างนั้นเอเกิดมาเป็นทุกข์แล้วก็แก่เป็นทุกข์ชราเป็นทุกข์นี่แหละพยาธิทุกข์มรณะทุกข์พลาดาจากของรักชอบใจก็เป็นทุกข์ เพราะฉะนั้นชาติคือความเกิดข้าพเจ้าไม่เอาไม่ปราถนาไม่ขอมีพบมีชาติต่อไปขอยอมตายในวันนี้เอพ า, ายฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วชามก็ลงมาเลยสิมันจะลงมากินน้ําก่อนวันนี้มันลงมาบ้านก่อนหกโมงเย็นเด้ออาตมากระลาสัมภเวณทั้งสองขอยอมตายเาถ้าศพถูกช่างกระทืบตายแล้วศพไม่อยาหกไปไหนก็ขวางไว้ที่นั่นเลยอย่างนี้เอก็ร่ำลาสัมภเวณทั้งหลายเนยก็ร้องไห้ในทั้งสองกอง็ร้องไห้อาตมาก็เดินลงไปสู่ความตายเดินลงจากดี เออพอเดินปบาก็เดินพุทธโธธ ร, รมโมสังโฆพุทธโธธ ร, รมโมสังโฆกับพุทธเจ้าธนว่าอย่างนั้นน่ะเออเกิดความขนพองสยองก้าวขนลุกขนพองให้ทึกเรล่าสถาคตรคือย่อมาแล้วก็พุทโธธ ร, รมโมสังโฆนี่ละ่ะครูบาอาจารย์ทกบกพุทธโธธ ร, รมโมสังโฆนี่ละ่ะเออก็เดินพุทโธธรมโมสังโฆเข้าไ ป, าไปในขณะนนั้มันกลัวตายหนึงสุดกายกุรุตาจิตกุรุตากายหนักจิตหนักหูเอือตามัวเลยแหละเป็นอย่างนี้เลกลัวตาย อาตมาไม่เคยกลัวตายพอสต้ 1, 7 2 5ันห้ารคุมโสเป็นีขนส่งหมอชิดเองในนามว่ายสิงอาญาสพานไฟขนส่งหมอชิดนี่คุมโสเป็นีเอียงในในในในตีกนนันอะไรต่างกันไม่เคยกลัวตายไปรบเวียดนามยิงกันปะทะ ก, กั น, น, นอะไรต่างๆก็ไม่เคยกลัวตายนี่เรื่องจริงไม่เคยกลัวตายเลยในชีวิตมีกลัวตายข่าวที่ช้างป่านี่แหละเออมีความกลัวตายที่สุดในชีวิตเดินเข้าไปสู่ความตาย พุทโธธรรมโมสังโฆเดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปช้างกระริ้วเขามาริ้วเขามาสมตัวแท้เออมันลงมากินน้ําประมาณ30มสิบตัวปรากฏว่าสีดอเป็นช้างดุก ข, ของฝูงเป็นช้างคุมฝูงไปงั้นช้างสีดอมันก็เหมือนคนหัวล้านกับคนผมยาวแหละเออจับคนผมยาวดึงผมได้คนผมคนยาจับคนหัวล้านดึงผมไม่ได้แท้ ช่างงาเหมือนกันเวลาทะเลาะกันมันนั่นกันมันก็จับงวงมันเนี่ยเอางวงจับช่างงาบิดเสียช้างงานนีกลัวช้างไม่มีงาคือช่างสีดอช่างสีดอสามตัวมันก็งวงริ้วๆเขาหาอาตมาเลยอาตมาก็เดินพุทธโทรโมสั้งคอพุทธโทรโมสั้งคอเดินกันไปมันกลัวตายถึงสุดที่สุดของความกลัวตายเป็นยังไงอาตมารู้แล้วอาตมารู้แล้วว่าความกลัวตายที่สุดมันเป็นยังไงเพราะเคยผ่านการลบการต่างๆบูตีกันต่างๆกันหลายสถานที่ในซ่อง โสเพนีในสถานที่อับนวดก็เคยตีกันมานั่นก็นมาก็ไม่เคยกลัวตายแต่กลัวตายครั้งนี้แผ่นดินมันโอ้ยมันสุดที่อย่าพารนามันเป็นอย่างนั้นภายในดวงใจไม่ ม, มีผู้ใดรู้ว่าแล้วก็อะไรแหละเป็นอย่างนั้นมันกลัวตายที่สุดขี้เยี่ยมันจะแย่งกันหลายช้างก็เลียวขุมารีวกุมาพุทธโทรตมอสังโฆพุทธโทรตมอสังโฆเออแต่ว่าย่างหนอย่างหนอเห็นหนอลู่หนอย่างหนอลู่หนอเห็นหนอนี่จะกล้าไหมถ้าเอาว่าช่างมาเลี้ยวเลี้ยวขุมานี้ อเดินหนอย่างหนอย่างหนอสัมมาหังสัมมาหังแต่นี่พุทโทรธธรรมโมสังโฆเอเดินเข้าไปอาพอเดินเข้าไปช้างก็ใกล้เข้ามารลี้วเข้ามาทั้งสามตัวนั่น <c oughs> เอเป็นอย่งังไงเธอาอาการกลัวตายที่สุดพอที่สุดของมันมันก็ุมันวุถึงที่สุดของมันของความกลัวตายมันวุ จิตมันรวมตัวกายขรุตตาจิตขรุตตากายหนักจิตหนักมันก็เป็นระหุตากายระหูตาจิตุตตากายเบาจิตเบามันก็ทานมันในทรวงอกมันว่าอ๋อพระอาหารหันต์ราหันต์ข้งพุทธการหาะเหินเดินอากาศได้เป็นอย่างนี้เองมันลอยเหมือนขนนกเหมือนนุ่นที่มันลอยไม่มีน้ําหนักลอยก็ไปหาทางก็เอื้อมมือเข้าไปจับไปตัวที่มันเข้ามาใกล้ก็เอื้อมือเข้าไปจับหัวมันก็อัพร้องสุดเสียงเลยวิ่งหนีก็เข้าไป รอยเข้าไปจับอีกตัวอีกวิ่งหนีอีกเอาก็้ลอยเข้าไปอีกมันไม่เดินหรอมันลอยอ่ะก็ลอยเข้าไปเอื้อมือจะจับอีกตัวอีกวิ่งหนีอีกโอ้โหยในขณะนั้นในซวงอกมันจะระเบิดเหมือนลูกบอลไอ้ลูกป่งที่เราเป่าลมเต็มที่งั้นแหละอกมันจะระเบิดเออมันตะโกนออกมาเลยชิ้ตังมกูชนะละโว่ตะโกนที่สุดในโลกเลยล่ะเป็นยางไ น, น ก็เดินลุยน้ําูตมตูมตูมตมตมเข้าไปเอเดินลุยไป น, นาปรากฏมันก็กวิ่งหนีโอป้าไปป้าไปแบบโอ้โห و! ภายในดวงใจไม่มีผู้ใดรู้ว่าโอ้โห و! ที่สุดของความกลัวตายเราได้เจอแล้วเพราะฉะนั้นได้ควงองนั้นเทศองนี้เทศองนี้เทศองนั้นเทศกับศีสมาธิปัญญาพุโทโธธรมโสังโอานาพระติเรื่องนน้นเรื่องนี้ต่างๆแต่ไม่มีองไหนมากล้าพูดในควังเลยว่าจะไปผ่านความตายจุดตายไป็นไง เอานั่งยันตายนั่งยันแจ้งนั่งสระตายยันแจ้งริีบ ม, มาน้ําขงยุงแหกก็มากินเรื่ออะไรสถานที่ ป, ป่าชงป่าชาก็ผ่านไปแล้วแต่ไม่เคยกลัวตายเหมือนอย่างาที่กับช้างป่ายอย่างนี้เนี่ยเล่าไอ้ควงังแล้วจากนั้นพอต้อ2พัน อ, อีกเิอีกก็เรียกจระเข้ขึ้นมาในบึงน้ํามันมีจระเข้เขาว่ามีจระเข้ก็เรียกขึ้นมาแล้วจากนั้นมันขึ้นมาก็ไม่ได้ไ ป, ไปจับมันเอะเรากลัวตายาเสือพออีกวันก็เลยฐานก็ปรากฏม า, ข, ม า, ข, มาขึ้นมาก็ลงไปจับมันเนี่ยพุทธโท ไม่กลัวตายก็เลยเล่าให้ผู้ขาวคังผู้ขาวถามว่ามันไม่กัดเอาเลยบอกไม่กัดนะครับลุง ป, ปู่ผมให้สินห้ามันแล้วมีพระในประเทศไทยขี่องค์ที่ให้สินห้าจระเข้เรียกจระเข้ขึ้นมาแล้วจากนั้นปู้ขาวสักลาควางว่าผมไปพาวนาที่เชียงใหม่ช้างมันมามันก็มาเอางวงแหย่เข้ามาในกุฏิเอแย่เข้ามาในกุฏิแล้วมันก็พ่นลมฟู่ฟูู่่ทันกกลัวตายแล้วก็ปรากฏว่ามันก็กินมะขามเปียก ข, ของท่านที่แขวนไวข้ข้างตะกร้าที่คางกุฏิเอาไว้ขัดฝาบาทฝอยไม้ก่อนฝาบาทเป็นต้องเหลี้ยงถวายอย่างนั้น เขาบอกกอดว่ามันก็กินมาขาเปียกของท่านทังไล่ออกมาเราจะมากลัวตายได้ไงเราจะไปนิพพานก็ไปไม่ได้สิถ้าเรากลัวตายไปนิพพานไม่ได้ถ้ากาบไม่กลัวตายไปนิพพานไม่ได้ไอย่างั้นเออมันขวางทางด่านใหญ่เลยด่านสุดท้ายของมันคือคามตายนี่แหละเออต้องสละตายก็ปรกกอดว่าหลวงปู่ขาวเลยแรกเราจะมากลัวตายได้ไงเราจะไปนิพพานได้ไงนิพพานมันต้องฝากตายท่านก็เลยออกมาเลยฮะขโมยมาขาเปียกเข้าเราขอทันอนุญาตเออ พระนายอธินนาธานเพราะฉะนั้นเนี่ยไปรักษาศีลมาเนี่ยจึงมาเป็นเดรัจฉานมาเป็นช้างเพราะฉะนั้นต่อไปรักษาศีลห้านะท่านก็นให้ศีลห้าช้างก็ไปเนี่ยล้วเพราะฉะนั้นพระในประเทศไทยขี่องที่กล้าให้ศีลหช้ชางและให้ศีลฆ่าจะแค่อย่างนี้นี่ยละ อาตมาได้ประจักษ์กับพุทธโฆธรมโมสังโฆได้พอนาพุทธโฆธรรมโมสังโฆมาจงประจักษ์กระจายจะรู้แจ้งกระจายเห็นกระจาัวกระจแล้วว่าอ๋อพุทธโฆเมนาโถธรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถพุทธโฆธรรมโมสังโฆนี่เป็นที่พึ่งของเราได้จริงเป็นที่พึ่งเตรียมจัดภัยได้จริงเป็นสนาเป็นที่พึ่งได้จริงจากนั้นก็แม่ตมาแม่ตมานี่เป็นความดันเบาหวานเอจงกระทั่งสุดท้าย สุดท้ายอยู่โรงพยาบาลปัจจุบันก็เป็นเปาโลาลาดพร้าวมาก่อนเป็นโรงพยาบาลสยามโชคไทยสี่แม่ตามานี่ซื้อห้องพิเศษเลยอยู่ครั้งสุดท้ายเจเดือนกว่าก็เป็นล้า น, า น, านบาทเออปรากฏว่าตายไม่ทํางานในแพทย์รัศมีเจ้าของโรงพยาบาลบอกก็ผ่าตัดไปก็มีประโยชน์แลว้วงานในแพทย์รัศมีเจ้าของโรงพยาบาลเปาโลสยามปัจจุบันเนี้ยเออเพราะฉะนั้นแม่ตามานเนื้อตัวเน่าแล้วอย่มากระเทยได้ฟังโยมแม่เอ้ยนี่ล่ะ สังขารร่างกายเป็นอย่างนี้มีความทุกความยากอย่างนี้แม่หลงในทังขานยิ่งได้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นโยมแม่เอ้ยต่อไปนี้นะให้ภาวนาะพุทโธธรรมโมสังโฆนะให้ภาวนาพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธเป็นที่พึ่งของเราธรรมโมเป็นที่พึ่งของเราสังโฆเป็นที่พึ่งของเราให้ท่องพุโทโธธรรมโมสังโฆยมแม่เอ้ยผัวก็ช่วยไม่ได้ลูกก็ช่วยไม่ได้ลูก9้าคนเนี่ยช่วยแม่ได้ไหมยามแม่ปวดแม่เจ็บเนี่ย ลูกมาก็แม่เป็นยังไงบ้างแม่เป็นยังไงบ้างเออผัวมาก็กิมเป็นยังไงบ้างแม่จะมาชื่อกิ่มนี่ยเจปิ้งโอ้ยเจ็บอ้าพ่อก็ช่วยไม่ได้ผัวก็ช่วยไม่ได้ลูกก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นโยมแม่เอยพุทธโทรโมสังโคช่วยได้นะนี่ยโยมหลงเขาเออจึงได้เป็นเป็นเมียเขาแล้วมาลูกทั้งเก้าคนไปอย่างนั้นเพราะย้อนนั้นโยมแม่เอยลูกก็ช่วยไม่ได้ผัวก็ช่วยไม่ได้ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองพึ่งไม่ได้สักอย่างเป็นที่ช่วยช่วยไม่ได้สักอย่าง พุทธธรรมโมสังโคช่วยได้ก็ปรากฏว่าอยู่มาอยู่มาแม่ภาวนาจนก็ได้ผลแปงงานก็ถามว่าโยมเออโยมห่วงอะไรไหมไม่ห่วงอะไรหรอค้อาอ่โยมจะสั่งเสียอะไรไหมไม่สั่งเสียอะไรหรอค่าโยมอยากกินอยากทานอะไรไหมไม่อยากกินไม่อยากทานอะไรค่ะเยอมโยมเจ็บปวดไหมเวลาหมอจับพริกทีเนี้เนื้อหลุดเลยเพราะตายไม่ทํางานไม่เจ็บไม่ปวดหรอค่า ยอมยอมไม่เจ็บไม่ปวดนะยอมอยู่ในอยู่ในพุทโธนี่ล่ะเออแม่ตามาไม่เคยนุ่งขาห่มขา ว, ว, ขาวอย่างพวกคุณเด้อแม่ตามาไม่เคยรักษาสิหน้าสิแปดแม่ตามาเกิดกันมาไม่เคยเห็นรักษสือสาสิ 5, สิบแปดไม่เคยนุ่งขาห่มข า, มขาไม่เคยบวชชีแต่แม่ตามานี่ภาวนาพุทโธธรรมโอทัมมองโคพุทโธธรมโอทัมมองโคจนได้ดิเออมาจิตกับกายกายจิตพลาคออกจากกันเด้เออเป็นอย่างนั้นจะบอกตายไปฉันไม่กลัวเราจะได้เห็นพระของฉันแต่ว่าอย่างนั้นที่พราะแม่ตมาเป็นเจ้าภาพพระประธานโบสถ์เน่ เออเป็นอย่างนั้นเลยแม่ตมาก็ได้จัดในพวกนี้ว่าทุกขาปฏิปทาคลิปปาปัญญามันเห็นทุกจริงๆก็เลยเกิดความรู้คือพุทโธอัตมาก็ไปถามทุกขาว่าหลวงปู่ครับแม่ผมนี่จัดอยู่ในประเภททุกขาปฏิปทาคลิปปาปัญญ า, า, า, าหรือเปล่าครับถ้าบอกเอออไปถามหลวงพุทศกษตรมันการหลวงพุทธเกษตรบอกนั่นแหละจัดอยู่ในพวกนั้นแหละหายากเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาเราท่านทั้งหลายอย่าเสียออกเสียใจว่าฉันไม่ได้บวชชีฉันไม่ไรักเสีอ5้าสิบแปดต่าง ขอให้ภาวนาพุโทโธธรรมโอสังโฆอย่างจริงใจอย่างจริงจังเถอะแล้วจะได้เห็นผลประจกกักษ์ชักใจของตนเองนะแล้วจากนั้นแม่อตมาเนี่ยก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยอตมาได้เทศแก่ก็เออขอเวลาอีกนิดนึงเออแม่อตมาก็ดึงอตมาไปซบอกแม่อตมานอนเตียงอตมาก้มลงไปพูดไปนั่นถามว่าแม่จะไปเวลาไหนไปเมื่อไหร่ไปคืนนี้แหะค่ะไปเวลาสองทุ่มวัยอย่างนั้น อ, อแกก็ดึงอตมาไปซบอก เออดึงอาตมาไปซบอกนิ่งอาตมาก็นึกถึงว่าแกไม่ได้คิดว่าแกกอดพระแกคิดว่าแกกอดลูกของเราแล้วขวายพระก็เหมือนกันนะพระวินัยเนี่ยเออพระองค์ทรงจัดไว้ว่าเอ่อพิสุเนี่ยจับต้องกายหญิงมีความกำหนัดอยู่จับต้องกายหญิงแม่เด็กที่เกิดวันนั้นเออแม้กระทั่งแม่ก็ไม่ได้เป็นอาบัติเป็นอย่างนี้แต่คราวนี้อาตมาเนี่ยแม่กอดลงไปซบอกอย่างเนี้ยแกคิดว่าแกกอดลูกของแกไม่ได้คิดว่ากอดพระ เป็นอย่างนี้สิเออเป็นอย่างนี้อาตมาก็เหมือนกันไม่ได้มีความกําหนดจากแม่อาตมาใครจะไม่มีความกําหนัดจากแม่เราเออเป็นอย่างนี้ก็ยอมให้แม่ได้กอดอกแอบกอดไปกอกทบกอดอย่างนั้นเป็นการลาจากกันโยมเอออาตมาไม่ขอมีแม่ยายขอมีแม่คนเดียวไม่ขอมีพบมีชาติโยมอาตมางโง่อาตมาหลงจะมาเกิดมาเป็นลูกของโยมมาอยู่ในท้องโยมให้โยมเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้โยมลําบาก เออโต้ขึ้นมาเถียงโยมนั่นโยมยอ ม, มร้องไห้ต่าง ๆ, ๆเพราะฉะนั้นขอเข้ามาไภยกันมีชาติติ้ท้ายไม่ขอกลับมาเกิดเป็นลูกยมลูกใครอีกแล้วไม่เอาเออเป็นนั้นแม่ขอเป็นลูกของแม่เท่านั้นไม่ยอมเป็นลูกของใครอีกไม่ขอเกิดอีกนั่นอีกขอเข้ามาไภยกันนี่แหละบรรดาเราท่านทั้งหลายที่เทมาได้แสดงให้ความอย่างนี้แล้วจากนั้นพ่อตามากับมึงการพ่อตามาก็จะมีเมียใหม่เออยมเอย้ยนึกว่าหลับฝันไปฝันไปว่าเข้ามากรุงเทพเพราะพ่อตมาเป็นคนสุพรรณ พ่อตอมาเป็นคนสุพรรณแน่เข้ามาเป็นทหารในกรุงเทพเป็นคนศรีประจันมาเป็นทหารกรุงเทพมาลูกเศรษฐีลาดพร้าวซิมาได้ลูกเศรษฐีลาดพร้าวมามีลูกตั้งเก้าคนเพราะฉะนั้นโยมเอ้ยนึกว่าหลับฝันไปพิลืมตาเข้ามาอ้าวเมียเผาไปแล้วลูกก็แยกครอบครัวกไปหมดแล้วเพราะโยมจะมีเมียใหม่ตมาบอกโยมเอ้ยควายในรกมันดับไปแล้วโยมจะก่อม่ไอีกเหรอเพราะฉะนั้นโยมกลับไปบวชสาหลวงปู่สมไปรู้บูชาเจ้าหน้าเพลศรีประจันยังอยู่กับไปบวชใหม่นี่ล่ะ เออแกก็นิ่งควางแกก็ไม่ยอมบวชอัตามาก็เลยอย่าลงยุย่เลยสวรรค์เมืองคว้าเมืองกลุงกับคืนบ้านนาบัานทุงมุ่งสู่สุพรรณเสียเทินชมงามอัตามาร้องให้จารย์สนองคว่างในห้องทรงนี่แหละเออแถวนี้มีคนชื่อพระสนองอยู่บ้างหรือเปล่า หากพบคุณช่วยบอกขา่าวว่าคนสุพรรณนั้นเข้ามาตามกับเธอสุพรรณบ้านเดิมที่เธอดนงลาำอย่าให้เขาคอยติดตามอยู่เลยคนงามจังหวัดสุพรรณเนี่ยผลสุดพ่อสมามก็กลับไปบวชแล้วก็มราภาพเมื่อได้หกพรรษาอ่าหลวงพ่อสนองขอาพวกท่านทั้งหลายก็เหมือนกัน ถ้ามาร้องเพลงนี้่ตนฟังอย่าหลงอยู่เลยสวรรค์เมืองพ้าเมืองกรุงท่านก็นเลยไม่ยอมตาบุรตะตาได้กับตายสุพรรณสมเจตนาของท่านอเอา้าอาราบรรดาเราท่านทั้งหลายวันนี้จะเกิดเวลาเวลาสิบสองนาทีเออมากไปมั่งน้นไปมั่งแล้ววันหน้าค่อยว่ากันใหม่ถ้าไม่ได้รู้อัจเชวากิจจะมาตะปังโกทัญามระนางสุเวอัจเชวะอันว่าวันนี้กิจจะมาตะปังกิจที่ควรทําควรทําตั้งแต่วันนี้ ใครจะรู้เล่า ว, ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เอวังด้วยประการ น, น, นัตชนีสาธุสาธุสาธุาาาาาที่ท่านได้ฟังจบลงนะคะก็คื อ, พ ร, อพระธรรมเทศนาจากพระครูสุชาติกัญจนโกศลหรือหลวงพ่อมนทนค่ะจากวัดพุทธมนทนอา ร, รันยิกาวาส บัดทุ่งสมอ อ, อําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี